3. ขอโอทิโสกถาว่าด้วยการละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนส7 4สกวาทีบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลและอะไรได้โดยการเห็นทุกประวาทีละส ก, กายธิทิ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 ส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันผู้สัตักขัดตุประมะโกลังโกระเอเกภีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทยัยปราวาทีละสกายทิทิวิจิกิจฉาศีรพัตปรามาตและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสามนั้นได้บางส่วนสกวาทีบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบัน ส่วนหนึ่งประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาวทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธละอะไรได้โดยการเห็นนิโรธประวาทีละวิจิกิจฉาศีละพะตัตปรามาะ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 โสดาปฏิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัส ด, ด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันผู้สัตตั ต, ตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมบาวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น275สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ประวาทีและกามราคะอย่างหยาพยาบาทอย่างหยาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้บางส่วนสกวาทีบุคคล คนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระสกทาคามีอีกตัวนหนึ่งไม่เป็นพระสกทาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทาให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผล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 สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธปรวาทีและพยาบาทอย่างหยาบและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับพยาบาทนั้นได้บางส่วนสกทาคามี บุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระสกทาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกทาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้ปรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกาอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกาอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผลและอะไรได้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 ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส7 6สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรวาทีและกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้บางส่วนสกวาที บุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตระปรินิพพายีผู้อุปหัจจปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายี ผู้สังขาระปนิพายีผู้อุททังโสโตโอกนิทคามีอีกตัวหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุททังโสโตโอกนิทคามีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทยัย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 บุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกานิทคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกานิทคามีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามีผลละอะไรได้หรือการเห็นมรรค ประวาทิและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสนั้นได้สกวาทีบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกตัวนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามีผลด้วยกายอยู่อีกตัวนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตาราปารินิพพายี ผู้อุปหจจะปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สังขาระปรินิพพายีผู้อุทังโสโตโอากานิธคามีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น277ส ก, กวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ประวาทีและรูปราคะ อรูปราคะมานะอุทจจาวิชาและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งหนั้นได้บางส่วนสกวาทีบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอระหันต์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอระหันต์ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทาให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอาหัรตผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ ตัวหนึ่งเป็นผู้ปราศจากโกรคโทสะโมหะทรรมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วโปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ้มสลักกรบขู่ถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดทงคือมานะวางภาระคือขัน หมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ละธรรมที่ควรละเจริญธรรมที่ควรเจริญทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วส่วนหนึ่งทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วอีกส่วนหนึ่งไม่ทําให้แจ้ง ทที่ควรทำให้แจ้งแล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลและอะไรได้โดยการเห็นสมุทยัยประวาทีและรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะอวิชชาและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งห้านั้นได้บางส่วนสกวาที บุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอระหันต์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอระหันต์ส่วนหนึ่งทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งอีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรสาธผลละอะไรได้โดยการเห็นนิโรธประวัติละมานอุทจจอวิชา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 สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัส ต, ตผลและอะไรได้โดยการเห็นมรรคปรวาทีและอุทธะอวิชชาและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสองนั้นได้สกวาธีบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกตัวนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ สัมผัสอรหั ต, ตผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรองภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบถอดริมสละกกลบคู่ถอนเสารเนได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะ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 อีกตัวหนึ่งไม่ทำให้แจ้งทมที่ควรทำให้แจ้งแล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น278ประวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนตวนใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ผู้มีปัญญาพึงกำจัดมณทินของตนทีละน้อยทีละน้อยในทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนสกวาทีบุคคลละกิเลสได้เป็นตนตนใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละรมสามประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีรพัตปรามาตได้อย่างสิ้นเชิงพร้อมกับบรรลุโสดาปติมัติพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสี่ภูมิและจะไม่ทำอภิฐานหกมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนสกวาทีบุคคละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยที่ธรรมจักรสุที่ปราศจากธุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่อริยสาวกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปฏิมักอริยสาวกย่อมละสังโยชน์สามประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตปรามาตมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาธีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆโอทิโสกถาจบสี่ชหติกถาว่าด้วยการละหนึ่งนสุตาหารณกถาว่าด้วยการไม่ยกพระสูตรมาอา้างสองรอเจ็ดสิบก้าสกวาทีปุตุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที ละได้เด็ดขาดละได้ยังไม่มีส่วนเหลือละได้ยังไม่มีเยื่อใหญและได้พร้อมทั้งมูลละได้พร้อมทั้งตันหาละได้พร้อมทั้งอนุใสละได้ด้วยอริยญาณละได้ด้วยอริยมรู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมจึงละได้ทําให้แจ้งอนาคามิผลจึงจะละได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีพุทุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีข่มได้เด็ดขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหนือข่มได้อย่างไม่มีเยื่อใยข่มได้พร้อมทั้งมูลข่มได้พร้อมทั้งตัณหาข่มได้พร้อมทั้งอนุสัยข่มได้ด้วยอริยญาณข่มได้ด้วยอริยมรรครู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมจึงข่มได้ ทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงคมได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลละกามราคาพยาบาทได้และละได้เด็ดขาดละได้ไม่มีส่วนเหลือทําให้แจ้งอนาคามีผลจึงละได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ผูุ้ชนละกามราคะพยาบาทได้และละได้เด็ดขาดละได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทําให้แจ้งอนาคามีผลจึงละได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามีผลข่มกามราคะพยาบาทได้และข่มได้เด็ดาขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทําให้แจ้งอนาคามีผลจึงข่มได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีปุถุชนข่มกามราคะพยาบาทได้และข่มได้เด็ดขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทําให้แจ้งอนาคารมีผลจึงข่มได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดละไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือละไม่ได้อย่างไม่มีเยื่อใหญ่ ละไม่ได้พร้อมทั้งมูลละไม่ได้พร้อมทั้งตัณหาละไม่ได้พร้อมทั้งอนุสัยละไม่ได้ด้วยอริยญาณยละไม่ได้ด้วยอริยมรรคจะรู้จรแจ้งแทงตลอดอากุปธรรมก็ละไม่ได้ทำให้แจ้งอนาคามีผลก็ละไม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผล ละกามราคะและพยาบาทได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดจะทําให้แจ้งอนาคามีผลก็ละไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีพุทุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดข่มไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทําให้แจ้งอนาคามีผลก็ข่มไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลคมกามราคะพยาบาทได้และคมไม่ได้เด็ดขาดคมไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลก็คมไม่ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปุทุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมประวาทีใช่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 เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลตไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากมักฝ่ายรูปาวจรไม่นำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลตไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ปุตตุชนละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยมักฝ่ายรูปาวจรสกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งานาคามีผลละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยอนาคามิมักและมักนั้นนําสัตว์ออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน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 ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยมักฝ่ายรูปาวจรและมักนั้นไม่นําสัตว์ออกจากวัตทุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์อม ข, ออมของสังกิเลสใช่ไหมประวาทีใช่ กวาบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอาาคามีผลละกามราคะและพยาบาทได้ด้วยอาาคามีมักและมักนั้นไม่นำสัตว์ออกจากวัตทุกไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ใหถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์อม ข, ออมของสังกิเลสใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 280. สองสักวาทีปุทุชนผู้ปราศจากความกำนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีดำรงอยู่ในอรหัตตะผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีปุทุชนผู้ปราศจากความกำนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผล พร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจริญมรรคทั้งสประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจริญมรรคทั้งสประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทําให้แจ้งสามัญญผลทั้งสมประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งพัรษะสเวทนาสามสัญญาสามเจตนาสามจิตสาศรัทธาสาวิริยะสาสติสสมาธิสามปัญญาสามใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั run, right ้นสกวาทีปุตุชนผู hmm. ้ปราศจากความกำหนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีด้วยสกทาคามิมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ด้วยมัคไหนปรวาทีด้วยอนณาคามิมัคสกวาทีลสกายทิฐิวิจิกิจฉาสีรับพตปรามาตได้ด้วยอนณาคามิมัคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. สุตาหารณกถาว่ัดิการยกพระสูตรมาอ้างสองร้อกวาทีปุตุชนลสกายทิฐิวิจิกิจฉา และศีลพตัตปรามาตได้ด้วยอนาคามีมั้งใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสโสดาปติผลว่ามีเพราะละสังโยชนสามประการได้มิใช่หรือประวาทีใช่สกาวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสโสดาปติผลว่ามีพระสังโยชนสามประการได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ละสกายทิติวิจิกิจฉาและศีลพตปรามาตได้ด้วยอนาคามิมักสกวาธีพุตุชนละกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมักใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมักใช่ไหมประวาทีใช่ ักาวาทีพระผู MVP, revision, ้มีพระภาคตรัสสกทาคามิผลว่ามีเพราะความเบาบางแห่งกามาราคะและพยาบาทมิใช่หรือปรวาทีใช่สกาวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสสกทาคามิผลว่ามีเพราะความเบาบางแห่งกามาราคะและพยาบาทท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละตามาราคะและพยาบาทยังหยาบได้ด้วยอนาคามิมัก สกวาธีผู้ดุชนเป็นผู้ประ จ, จากความกำนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามีผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเราชนผู้บรรลุธรรมได้ทั้งหมดดำรงอยู่ในอนาคามีผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาที ท่านไม่ยอมรับว่าปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าครูทั้งหกผู้มียศได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตเป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชนายกามราคะเสียได้ เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วแม้สาวกหลายร้อยคนของครูเหล่านั้นก็เป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชนายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือส ก, กวาทีใช่ประวาทีดังนั้นปุถุชนจึงลนะกามราคะและพยาบาทได้ส ก, กวาที ปุจจุชนละการาคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กาวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายครูสุเนศนั้นเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างนี้เป็นผู้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายา เราจึงกล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ร uh, ู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีล 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยมปัญญา 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด อริยวิมุตต์ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีนเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตตเราถอนภวะตัณหาได้แล้วภาวเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ได้ตรัสวยยการณะพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระโคดมผู้มียศตรัสสรู้ธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตยอันยอดเยี่ยมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัส บ, บอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระาศาสดาผู้มีพระจักสุ ทรงธรรมที่สุดแห่งทุกปรินิพานแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปราวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้สหะติกถาจบ 5. สัพพมัตถีติกถาว่าโดยสิ่งทั้งปวงมีอยู่หนึ่ง วาทยุติว่าด้วยหลักการใช้วาทะสองร้อยแปดสิบสองสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที สิ่ ง, ง ท, ทั้งปวงมีอยู่ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่โดยประการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สิ่งทั้งปวงมีอยู่ในสภาวธรรมทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอย <hi> ู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่ประกอบกันจึงยอมรับว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาที osse, แม้แต่สิ่งที่ไม่ม chief, ีก็ชื่อว่ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเห็นอย่างนี้ว่าความเห็นที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่ pareil, าวอย่างนั้นโดยย่อ ว่าทายทุติจบ